ข้อเปรียบเทียบที่น่าสนใจในสังยุตนี้คือตะโพนคืออนากะของกษัตริย์นามว่าทสารหะแตกพวกทสารหะได้ตอกลิ่มลงไปสมัยต่อมาโครงเก่าของตะโพน อ, อนากะหายไปแต่ยังเหลือโครงลิ่มฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในอนาคตก็ฉันนั้น เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกซึ้งมีอัถะลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญตตาจะไม่ปรารถนาจะฟังไม่ตั้งใจเรียนรู้ต่อเมื่อมีคนกล่าวสูตรภายนอกกากรอนที่กวีแต่งมีอักษรวิจิตพยัญชนะวิจิตเป็นสาวกพาสิทธ์กลับสนใจฟังสนใจเรียนรู้ เห็นว่าเป็นสิ่งควรศึกษาความจริงปรากฏแล้วว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ไม่สนใจพระพุทธวจนะกลับไปสนใจติราชานวิชานอกพระพุทธวจนะมากขึ้นทุกวันพิกุสังยุตประมูลเรื่องเกี่ยวกับภิกษุคือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายบ้างตรัสสอนให้เอาอยางพระเทระ ที่มีคุณสมบัติหน้าเลื่อมใสบ้างขอยกตัวอย่างมาบางสูตรหนึ่งคตะสูตรวันหนึ่งพระสารีบุตรเห็นพระมหาโมคลานะมีสีหน้าผ่องใสเป็นพิเศษถามว่าท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียดหรือวันนี้จึงมีสีหน้าผ่องใสนักพระมหาโมคลานะตอบว่าอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างหยาบ แต่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าครันถูกซักว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ไกลมากท่านมหาโมคลานะเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือท่านมหาโมคลานะกล่าวตอบว่าไม่ได้เหาะไปเฝ้าแต่ฟังด้วยทิพยโสดแล้วได้เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าท่านได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า แค่ไหนจะเรียกว่าเป็นผู้ภาคเพียนพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะต้องเป็นคนที่ตั้งสัตยาทิฏฐานอย่างแน่วแน่ว่าจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกและเลือดเนื้อในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษความบากบั่นของบุรุษจะไม่ยอมหยุดความพยายามเป็นอันขาด อย่างนี้เรียกว่าผู้ภาคเพียรจริงพระสารีบุตรกล่าวชมเชยว่าท่านมหาโมคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากจริงๆเมื่อเปรียบกันแล้วผมเองดุดก้อนหินเล็กๆวางอยู่ต่อหน้าภูเขาใหญ่มิผิดคนมีฤทธิ์มากอย่างท่านแม้ปรารถนาจะอยู่ตลอดกับก็ยอมทำได้พระมหาโมคลานะกล่าวตอบว่า ท่านสารีบุตรตังหากที่เป็นพระสาวกรูปเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัชมเชยว่าไม่มีใครเด่นเท่าทางด้านปัญญาและศีลและอุปสมะคือความสงบถ้าจะเปรียบแล้วผมก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนเกลือเล็กๆวางอยู่ข้างหม้อกเกลือใหญ่ 2. พัทธิยสูตร พระลักุนตกะพัทธิยะเป็นพระอรหันต์ร่างเล็กและไม่น่าดูเป็นที่ขบขันของผู้พบเห็นพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระว่าท่านละกุลตกะนั้นถึงร่างจะเล็กแต่เป็นพระอรหันต์คุณสมบัติไม่เล็กเหมือนร่างกายสัตว์ทั้งหลายหงนกกระเรียนนกยูงช้างฝานย่อมกลัวราชสี ไม่ใช่เพราะราชสีตัวใหญ่ชันใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันคนร่างเล็กแต่มีปัญญายอมเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่เหมือนพวกคนพานซึ่งถือร่างกายเป็นใหญ่ขันทาวารวัตขันทสังยุตประมวลเรื่องขันกล่าวถึงขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมด้วยรายละเอียดต่างๆเป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าบ้างของพระเทระผู้ใหญ่เช่นพระสารีบุตรบ้างและพระมหากจัจจายนะเป็นต้นบ้างขอยกมาเพียงบางสูตรหนึ่งพาระสูตรว่าด้วยขันห้าเป็นพาระหนัก ส่งแสดงด้วยการตั้งคำถามว่าอะไรคือภาระหมายถึงของหนักผู้แบกภาระเครื่องถือมั่นภาระการวางภาระและส่งอธิบายว่าอุปทานขันห้าคือภาระบุคคลแต่ละคนที่มีชื่อมีโคต่างต่างกันนี่แหละคือผู้แบกภาระ ตัณหาที่ทำให้เกิดพบใหม่ทั้งสามประเภทคือเครื่องถือมั่นภาระการละตัณหาได้เด็ดขาดคือการวางภาระ 2. พุทธสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทรงหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ พระภิกษุผู้หลุดพ้นโดยปัญญาก็หลุดพ้นด้วยลักษณะอย่างเดียวกันแต่อะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาพระองค์ตรัสต่อไปว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดยังชุมชนที่ยังไม่รู้จักมรรคาให้รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกให้รู้จักทาง ประกาศทางให้ปรากฏฉลาดในทางส่วนสาวกทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินตามทางเป็นผู้ตามไปภายหลังอันนี้แหละเป็นข้อแตกต่างกัน 3. ปัญจะวคียสูตรสูตรนี้คืออนันตลักณะสูตรนั่นเองแต่ในที่นี้เรียกอย่างนี้ เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนให้ปัญจะวัคคีย์พิจารณาขันห้าโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตานั่นเองโดยทรงแยกประเภทประเด็นถามทีละอย่างทีละอย่างให้ผู้ฟังพิจารณาตามเพื่อให้ได้คำตอบในที่สุดเนื้อหานั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ผู้ศึกษามักไม่ทราบว่ามีบันทึกไวในพระไตรปิฎกเล่มไหนบ้างจึงนำลงเวนะที่นี้ ซึ่งมีทั้งในพระวินัยปิดกและในที่นี้สปินโทระยะสูตรพระพุทธเจ้าทรงขับไล่พระภิกษุสงฆ์เพราะเหตุเรื่องหนึ่งไม่บอกว่าเรื่องอะไรแต่คงเป็นพระบวชใหม่ต่างถิ่นจะมาเฝ้าพระองค์ทำเสียงเอะอะไม่สำรวมดังกล่าวไว้ในสูตรสูตรหนึ่งเท้าสหามบรีพรมทราบเรื่อง จึงทูลอาราธนาให้อนุเคราะห์เพราะพระเหล่านั้นเพิ่งบวชใหม่เหมือนลูกโคนน้อยไม่เห็นแม่จะรวนเรเหมือนพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะเฉาตายพระพุทธองค์ทรงรับคำอัญเชิญและทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าตรัสสอนว่าพวกเธอมาบวชอยู่ในพระธรรมวินัยนี้จุดประสงค์เพื่อทาที่สุดทุกข ถ้ามากด้วยอาพิชามีความกำหนัดในกามมีจิตยพยาบาทมีความดมริชั่วหลงลืมสติไร้สัมปัสชัญญะใจไม่เป็นสมาธิจิตหมุนไปผิดทิศทางไม่สารวมอินทรีย์จะทำที่สุดทุกข์ได้อย่างไรคนที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้เรากล่าวว่าเขาเสื่อมจากโภคะแห่งเขาฤ ห, หัต ไม่ทำความเป็นสมณะให้บริสุทธิ์ด้วยอุปมาเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาศพติดไฟทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดคือเปื่อนอุจจาระจะใช้เป็นฟืนในบ้านก็ไม่ได้ในป่าก็ไม่ได้ห้นนาอุณมะสูตรภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอุปทานคันห้าคืออะไร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าคือรูปูปารทานขันวิญญาณูปารทานขันเธอทูลถามว่าอุปาทานขันห้ามีอะไรเป็นมูลเหตุตรัสตอบว่ามีฉันทะเป็นมูลเหตุเธอทูล ถ, ถามต่อไปว่าและอุปาทานกับอุปาทานขันอันเดียวกันหรือต่างกันพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุอุปาทานอันนั้นอุปท า, านขันห้าก็อันนั้นหาไม่ได้คืออย่างเดียวกันก็ไม่ใช่และอุปาทานอื่นจากอุปท า, านขันห้านั้นก็ไม่ใช่คือจะแตกต่างกันก็ไม่ใช่แต่ฉันธราคะคือความกำหนัดด้วยความยินดีในอุปท า, านขันห้านั่นแหละเป็นตัวอุปาทาน หกยะมะกะสูตรพระยะมะกะโวดอ้างว่ารู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดามีทัศนว่าพระอรหันต์ตายแล้วจะขาดศูญย์ไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายห้ามไม่ให้พูดเช่นนั้นก็ไม่ฟังพวกเธอจึงขอร้องให้พระสารีบุตรช่วยตักเตือนพระสารีบุตรจึงไปสนทนาด้วยโดยซักถามขันทีละอย่างว่าเที่ยงหรือไม่ เป็นสัตวบุคคลหรือไม่สัตวบุคคลมีในขันห้าแต่ละอย่างใช่หรือไม่สัตวบุคคลอื่นจากขันห้าแต่ละอย่างหรือไม่สัตวบุคคลอื่นไม่มีในขันห้าแต่ละอย่างใช่หรือไม่เมื่อซักไปซักไปก็ค้นหาสัตบุคคลในขันทั้งห้าไม่ได้พระสาวรีบุตรจึงกล่าวว่าท่านยมะกะโดยแท้จริงแล้ว ท่านจะค้นหาสัตว์บุคคลในขันห้าเหล่านี้ในปัจจุบันมิได้เลยควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าพระอรหันตะขีณาศพเมื่อตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาตไม่เกิดอีกพระสูตรนี้ใช้คำว่าตถาคตโตนักปราชโดยมากแปลว่าพระอรหันต์แต่ในอัตถกถาแปลว่าสัตว์ทั่วทั่วไป อ่านความเห็นของยะมกกะและการสักค้านของพระสารีบุตรแล้วไม่น่าจะรับกันแต่ที่จริงแล้วถ้าใครเห็นว่าตายแล้วสูญไปก็เท่ากับยอมรับว่าสิ่งที่มีมาแล้วนี้ดับไปเลยจะไม่มีอีกไปชัว่วนิรันดรก็ตกอยู่ในฝ่ายอุเฉธาทิฏฐิหรือนัตถิกาทิฏฐิแม้พระอรหันต์หมดกิเลสแล้วตายแล้วก็ดับไปเลย พูดภาษาสามัญก็ว่าไม่เกิดอีกก็ตามแต่ถ้าใครพูดว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูญก็ไม่พ้นอุเฉธาทิฏฐิเพราะเท่ากับพูดว่าผู้พูดถือว่าพระอรหันต์เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตบุคคลซึ่งมีอยู่ยังอยู่หลังจากนั้นก็ตายศูนย์ไปเลยคำสักขานของพระสารีบุตรต้องการบอกว่า แท้ที่จริงแล้วสัตว์หรือคนไม่มีมีเพียงแต่ขันห้าเท่านั้นเมื่อคนไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรสูญเจ็ดวัคลิสูตรประวัคลิอาพาธหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดตรัสถามว่าเป็นอย่างไร พระวักกลิกราบทูลว่ารู้สึกรำคาญที่ต้องนอนแสวอยู่อย่างนั้นพระองค์ตรัสถามว่าเธอติเตียนตัวเองโดยศีลหรือไม่เมื่อเธอกราบทูลว่าไม่มีเลยจึงตรัสปลอบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องรำคาญใจพระวักกลิกราบทูลว่าที่รำคาญเพราะไม่สามารถไปเฝ้าพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิด พระพุทธเจ้าตรัสว่าประโยชน์อะไรด้วยกับการเห็นร่างกายอันเน่าเปื่อยนี้วักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแล้วส่งแสดงธรรมะเรื่องความไม่เทียงแท้ของขันห้าให้ฟังหลังจากนั้นพระวักกะลิก็ทำอั ต, ตวินิบาตกรรมพระพุทธองค์ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าพระวกกะลิเป็นพระอรหรันต บริณิพานแล้วสำหรับเรื่องนี้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มข้างท้าย 8. เพนะปินทสูตรตรัสสอนพิกษุว่าขันห้าแต่ละอย่างว่างเปล่าหาสาระไม่ได้โดยยกอุปมามาประกอบอย่างน่าฟังคือรูปเปรียบเหมือนกลุ่มฟองน้ำ เวทนาเปรียบเหมือนฟองน้ำสัญญาเปรียบเหมือนพยับแดดสังขารเปรียบเหมือนต้นกล้วย 9. ปุปพระสูตรพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงขัดกับบัณฑิตทั้งหลายในสองเรื่องคือสิ่งที่บัณฑิตเขาว่าไม่มีสิ่งที่บัณฑิตเขาว่ามี พระองค์ก็ว่ามีและไม่มีเหมือนกันแล้วทรงไขว่าสิ่งที่ไม่มีนั้นคือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคือมีรูปจนถึงวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเปลี่ยนแปลงต่อมาตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่า พระองค์ทรงรู้ชัดซึ่งโล ก, กธรรมในที่นี้หมายเอาถึงขันห้าแล้วทรงแสดงให้เป็นที่เข้าใจง่ายแต่ก็ยังมีคนโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจพระองค์ไม่รู้จะทรงทาอย่างไรกับอันท h ูปุตุชนผู้โง่เขลาไร้จักสุที่ไม่รู้ไม่เห็นท้ายพระสูตรมีพระวจนะที่น่าจดจามากคือดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุบลก็ดีปทุมก็ดีบุญทริกก็ดีในที่นี้หมายถึงดอกบัวจเจริญในน้ำขึ้นพ้นน้ำแต่ไม่ติดน้ำฉันใดตถาคตเกิดในโลกจเจริญในโลกย่อมอยู่เหนือโลกไม่ติดโลกฉันนั้น